พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่22สองสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายจัด ก, การนิบาทชุมนุมธรรมะหข้อทุติยปัญ น, นาตหมวดห้าสิบที่สองวคที่หนึ่งมหาวรว่าด้วยเรื่องใหญ่ตรัสสอนพระโสนะผู้ทำความเพียรมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้ตรัสรู้ โดยตรัสอุปมาด้วยสายพินที่ตึงเกินไปหย่อนเกินไปเสียงไม่ดีต่อเมื่อขึงพอดีไม่ตึงไปไม่หย่อนไปจึงมีเสียงดีพระโสนะปฏิบัติตามก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคถึงข้อธรรมะหลายประการโดยเฉพาะได้กล่าวถึงพระอรหันต์ขีนาศบว่าน้อมไปสู่ฐานะหกประการ คือเน่ฆัมมะการออกจากกามปวิเวก ค, ความสงัดอัพยาปัชชะความไม่เบียดเบียนตันหักขยะความสิ้นไปแห่งตันหาอุปทานักขยะความสิ้นไปแห่งอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นอสัมโมหะความไม่หลง พระพักคุณะอาพาธหนักพระอานนท์ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคขอให้เสด็จไปเยี่ยมพระองค์เสด็จไปแสดงธรรมโปรดเมื่อเสด็จกลับไม่นานพระพักคุณะก็ถึงมรณะภาพเมื่อพระอานนท์ไปกราบทูลจึงตรัสว่าจิตของพระพักคุณนะภายหลังฟังธรรมได้หลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการคือเป็นพระอนาคามี แล้วได้ตรัสถึงอ น, นิสงส์หรือผลดีในการฟังธรรมตามการในการพิจารณาเนื้อความตามการมีหกอย่างคือ 1. ฟังธรรมะที่พระตถาคตสแสดงจิตหลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำา5ประการ 2. อฟังธรรมะที่สาวกพระตถาคตสแสดงจิตพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำห้ประการสา ตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะจิตพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำหประการ 4. ฟังธรรมะที่พระตถาคตแสดงจิตหลุดพ้นในธรรมะเป็นที่สิ้นกิเลสอย่างยอดเยี่ยม 5. ฟังธรรมะที่สาวกพระตถาคตแสดงจิตหลุดพ้นในธรรมะเป็นที่สิ้นกิเลสอย่างยอดเยี่ยม 6. ตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะ จิตหลุดพ้นในธรรมะเป็นที่สิ้นกิเลสอย่างยอดเยี่ยมตรัสแสดงอภิชาตหกประการเปรียบเทียบกับข้อปฏิบัติของอุรณะกัสสปะคือหนึ่งคนมีอภิชาติดำทาให้เกิดธรรมะอันดำได้แก่ผู้เกิดในตระกูลต่าแล้วประพฤติทุจริต 2. คนมีอภิชาติดำทาให้เกิดธรรมะอันขาว ได้แก่ผู้เกิดในตระกูลตำ่ำแต่ประพฤติสุจริตสคนมีอภิชาติดำทำให้เกิดพระนิพพานอันไม่ดำไม่ขาวได้แก่ผู้เกิดในตระกูลตำ่ำออกบวชตั้งอยู่ในคุณธรรมทำนิพพานให้เกิดขึ้นสคนมีอภิชาติขาวทำให้เกิดธรรมะอันดำ ได้แก่ผู้เกิดในตระกูลสูงแต่ประพฤติทุจริต 5. คนมีอภิชาติขาวทำให้เกิดธรรมะอันขาวได้แก่ผู้เกิดในตระกูลสูงประพฤติสุจริต 6. คนมีอภิชาติขาวทำให้เกิดนิพพานอันไม่ดำไม่ขาวได้แก่ผู้เกิดในตระกูลสูงออกบวชตั้งอยู่ในคุณธรรมทำนิพพานให้เกิดขึ้น รัสแสดงคุณธรรมของภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกว่าละอาสวะได้หกอย่างมีละด้วยการสํารวมเป็นต้นตรัสถึงภิกษุหกประเภทคืออยู่ป่าอยู่ท้ายบ้านถือบินธบาทรับนิมนต์ส่งผ้าบางสุกุลสรงขรหบดีจีวรคือผ้าที่ขรหบดีถวายซึ่งมีทั้งชั่วทั้งดี พระจิตตหัตถิสาวริบุตรพูดแทรกขึ้นในเมื่อพระเทระทั้งหลายกำลังกล่าวอภิธรรมกถากันอยู่พระมหากดทิตะจึงห้ามปรามภิกษุที่เป็นมิตรสหายของผู้พูดแทรกจึงเตือนว่าพระจิตตหัติสาวริบุตรเป็นผู้ฉลาดอาจจะพูดอภิธรรมกับพระเทระทั้งหลายได้พระมหากดทิตะกล่าวว่า ถ้าไม่รู้ปริยายแห่งจิตของผู้อื่นก็ยากจะรู้ได้แล้วกล่าวว่าคนที่เสงี่ยมเจียมตัวสงบระ ง, งับในเมื่ออยู่อาศัยศัสนาหรือเพื่อนปรมจารีที่เคารพนั้นถ้าแยกออกไปก็อาจถูกราคะครอบงำจิตใจได้เหมือนโคที่ผูกไว้จะว่าไม่กินข้าวกล้าไม่ได้คือถูกผูกไว้ไม่สามารถไปสร้างความเสียหาย ให้กับต้นข้าวได้แม้บุคคลได้ฌานทั้งสี่และได้เจโตสมาธิที่ไม่มีนิมิตรหรือเครื่องหมายก็อาจเสื่อมถูกราคะครอบงำลาสิกขาไปได้ต่อมาพระจิตตหัตติสาวรีบุตรลาสิกขาไปจริงๆพ ร, ระผู้มีพระภาคทรงทราบจึงตรัสว่าไม่ช้าจิตตะก็จะระลึกได้ถึงเนกขมมะ ในไม่ช้าจิตตหัตถิสาริบุตรก็บวชอีกและได้สาเร็จเป็นพระอระหันต์พระเทระหลายรูปสนทนาการถึงปัญหาว่าอะไรเป็นส่วนสุดสองฝ่ายอะไรเป็นท่ามกลางอะไรเป็นเรื่องเย็บให้ติดกันต่างแสดงความเห็นชี้ไปที่ผัสสะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะว่าเป็นส่วนสุดสองฝ่าย ความดับตันหาเป็นเครื่องเย็บให้ติดกันดังนี้เป็นต้นรวมหกในพระผู้มีพระภาคเสด็จมาตรัสว่าคำตอบเหล่านั้นทั้งปวงถูกโดยปริยายแต่ที่พระองค์ทรงมุ่งหมายตรงกับที่รูปแรกกล่าวไว้คือผัสสะความเกิดแห่งผัสสะเป็นส่วนสุดสองฝ่ายเป็นต้น ตรัสแสดงธรรมแก่พระอานุ์ถึงบุคคลหประเภทแบ่งเป็นสามประเภทแรกกับสามประเภทหลังคือประเภทแรกได้แก่ผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมผู้มีธรรมะอันเสื่อมผู้จะไปสู่อบายนรกสามประเภทหลังได้แก่ผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมผู้มีธรรมะอันเสือรรอเส่อมผู้มีธรรมะคือพระนิพพาน ตรัสแสดงธรรมปริยายว่าด้วยนิเพธิกะ ก, การชำแรกหรือทำลายกิเลสคือควรทราบธรรมะหกอย่างคือกามเวทนาสัญญาอาสวะกรรมและทุกพร้อมด้วยความเกิดขึ้นความต่างกันวิบากหรือผลความดับและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งธรรมะทั้งหกนั้นกามคือความใคร เวทนาความรู้สึกอารมณ์เป็นสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้อาสวะกิเลส ท, ที่ดองสันดานกรรมคือการกระทําทุกขหมายเอาทั้งทุกประจําและทุกจรตรัสแสดงกําลังของพระตถาคตหประการคือหนึ่งทรงรู้ฐานะและอาฐานะ คือสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ตามความเป็นจริง 2. ทรงรู้ผลโดยฐานะโดยเหตุตามเป็นจริงแห่งการทํากรรมที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน 3. ทรงรู้ความเศร้าหมองความของแพ้วการออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติ 4. ทรงระลึกชาติได้ ห้าส่งได้ทิพยจักสุกหกส่งทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะกำลังทั้งหกข้อของพระตถาคตเหล่านี้ทำให้ทรงปฏิญญาความเป็นหัวหน้าบัลเอสีหนาฏหมุนธรรมจักคือล้อธรรมอันประเสริฐสำหรับคำว่าเป็นหัวหน้าในที่นี้ใช้คำว่าอาสพันฐานะฐานะแห่งโคอุตสภ หรือโคผู้นำฝูงวัคที่สองชื่อเทวตาวัคว่าด้วยเทวดาตรัสว่าผู้ละธรรมะหกอย่างไม่ได้ไม่ควรทำให้แจ้งอนาคามิผลคือความไม่มีศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวต่อ บ, บาป ความเกียดคร้านความหลงลืมสติความมีปัญญาซามส่วนฝ่ายดีทรงแสดงตรงกันข้ามทรงแสดงว่าบุคคลละธรรมะหกอย่างไม่ได้ไม่ควรทำให้แจ้งความเป็นพระอรหันต์คือความหดหู่ความง่วงงุนความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความไม่มีศรัทธาความประมาท ส่วนฝ่ายดีทรงแสดงตรงกันข้ามตรัสว่าพิกสุคบมิตรชั่วดำเนินตามมิตรชั่วเป็นไปไม่ได้ที่จะทาธรรมะเกี่ยวกับความประพฤติและมารยาทในวงเล็บอภิสมาจาริกธรรมธรรมะของพระเสขะพิกสุคบมิตรชั่วดำเนินตามมิตรชั่วเป็นไปไม่ได้ที่จะทาธรรมะของพระเสขะ และทำศีลให้บริบูรณ์และเป็นไปไม่ได้ที่จะละกามราคะคือความกำหนัดในกามรูปราคะคือความกำหนัดในรูปอรูปราคะคือความกำหนัดในสิ่งที่ไม่ใช่รูปส่วนในทางดีส่งแสดงตรงกันข้ามตรัสว่าภิกษุผู้คลุกคลีด้วยหมู่ เป็นไปไม่ได้ที่จะยินดีในความสงัดที่จะถือเอานิมิตแห่งจิตไว้ที่จะทําสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบให้บริบูรณ์ที่จะทําสัมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นชอบให้บริบูรณ์ที่จะละสังโยชน์หรือกิเลสเครื่องร้อยรัดได้ที่จะทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ส่วนฝ่ายดีทรงแสดงตรงกันข้าม เทวดากราบทูลถึงธรรมะอกยางที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมของภิกษุคือความเคารพในพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาความเป็นผู้ว่าง่ายและการคบเพื่อนที่ดีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าพระสาริบุตจึงกราบทูลว่าท่านเข้าใจว่าขยายความได้คือทำเช่นนั้นด้วยตนเอง พันนาคุณของการนั้นชักชวนผู้อื่นเพื่อทําเช่นนั้นรวมทั้งสรรเสริญผู้ทําเช่นนั้นตามความจริงตามการอันสมควรตรัสว่าถ้าไม่มีสมาธิอันสงบระงับประณีตก็ไม่ได้สวยอภิญญาหกมีแสดงฤทธิ์ได้เป็นต้นต่อเมื่อมีสมาธิเช่นนั้นจึงได้อภิญญา ว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะหกอย่างไม่ควรบรรลุความเป็นผู้เห็นแจมแจ้งในคุณวิเศษนั้นๆคือไม่รู้จักธรรมะที่เป็นส่วนแห่งความเสื่อมความเสมอตัวความก้าวหน้าการทำลายกิเลสตามความเป็นจริงไม่ทำการโดยเคารพไม่ทำการให้เป็นที่สบายคือไม่เป็นอุปการะแก่การปฏิบัติธรรม ส่วนในฝ่ายดีส่งแสดงตรงกันข้ามตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะหกอย่างไม่ควรบรรลุความเป็นผู้มีกําลังในสมาธิคือไม่ฉลาดในการเข้าในการตั้งอยู่ในการออกเกี่ยวกับสมาธิไม่ทําการโดยเคารพไม่ทําการโดยติดต่อไม่ทําการให้เป็นที่สบาย ส่วนในฝ่ายดีทรงแสดงตรงกันข้ามตรัสว่าภิกษุละธรรมะหกอย่างไม่ได้ไม่ควรเข้าฌานที่หนึ่งคือนิวรห้ากับไม่เห็นโทษของกามตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบในฝ่ายดีทรงแสดงตรงกันข้ามตรัสว่าภิกษุละธรรมะหกอย่างไม่ได้ ไม่ควรเข้าฌานที่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือความตรึกในกามในการพยาบาทในการเบียดเบียนความกาหนดหมายในกามในการพยาบาทในการเบียดเบียนและฝ่ายดีทรงแสดงตรงกันข้ามวัคที่สาอรหันตวัคว่าด้วยพระอรหันต ตรัสว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะหกอย่างย่อมอยู่เป็นทุกข์ในปัจจุบันคือประกอบด้วยความตดึกในกามเป็นต้นเหมือนวรรคที่สองที่ผ่านมาฝ่ายดีตรัสในทางตรงกันข้ามตรัสว่าภิกษุผู้ไม่ลกธรรมะหกอย่างไม่ควรทําให้แจ้งความเป็นพระอรหันต์คือมานะความถือตัวโอมานะ ความดูหมิ่นตัวเองอติมาณะความดูหมิ่นผู้อื่นอธิขถาแก้วว่าความถือตัวว่าสูงกว่าเขาอธิมาณะความสำคัญผิดว่าได้บรรลุธรรมภะความกระด้างอตินิปาตะความถือตัวว่าเลวยิ่งในทางดีคือตรงกันข้าม ตรัสว่าภิกษุไม่ละธรรมะหกอย่างไม่ควรทำให้แจ้งธรรมะอันยิ่งของมนุษย์คือความหลงลืมสติความไม่มีสัมปัชชัญญะไม่มีความรู้ตัวความไม่สำรวมอินทรีย์มีตาเป็นต้นความไม่รู้ประมาณในโภชนะความไม่รู้ประมาณในการกินพูดบดพูดเลียบเคียงหาลาบส่วนในทางดีคือตรงกันข้าม ตรัสว่าภิกษุผู้ตั้งความเพียรเพื่อมันลุกความสิ้นไปแห่งอาสวะประกอบด้วยธรรมะหกอย่างเป็นผู้มากไปด้วยความสุขกายสุขใจในปัจจุบันคือยินดีในธรรมะยินดีในการทําความดีให้เกิดขึ้นในวงเล็บภาวนายินดีในการละความชั่วยินดีในความสงัดยินดีในความไม่พยาบาทยินดีในธรรมะที่ไม่ทําให้เนื่อนช้า ว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะหกอย่างไม่ควรบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุไม่ควรทํากุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้เจริญคือไม่ฉลาดในความเจริญไม่ฉลาดในความเสื่อมไม่ฉลาดในอุบายไม่ปลูกความพอใจเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุไม่รักษากุศลธรรมที่บรรลุแล้ว ไม่ดำเนินการด้วยการกระทาอันติดต่อส่วนฝ่ายดีคือทิศตรงกันข้ามตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะหกอย่างจะบรรลุความยิ่งใหญ่ไพยบูรในธรรมะทั้งหลายไม่นานคือมากด้วยแสงสว่างคือความรู้หรือญาณมากด้วยความเพียรคือโยคะมากด้วยความรู้สึกคือเวทะ ซึ่งอัตถกถาแก้ว่าปิติปราโมทมากด้วยความไม่สันโดษในกุศลกรรมคือคิดก้าวหน้าในความดีอยู่เสมอไม่พอใจอยู่เพียงเท่าที่มีอยู่ไม่ทอธทุระในกุศลธรรมและสุดท้ายทำความเพียรยิ่งยิ่งขึ้นไปทรงแสดงถึงผู้ประกอบด้วยธรรมะอกอย่างจะตกนรกเหมือนนำไปวางไว้และตรงกันข้าม จึงขึ้นสวรรค์เหมือนนำไปวางไว้คือค่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดมีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดอีกในหนึ่งคือพูดปดพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพอ้อเจอ้อโลภขนองตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะ6กอย่างไม่ควรทำให้แจ้งความเป็นพระอรหันต อันเป็นธรรมะที่เลิศคือไม่มีศรัทธาไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปเกียดคร้านมีปัญญาสามห่วงใยในกายในชีวิตส่วนป่ายที่ดีคือที่ตรงกันข้ามตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะหกอย่างหวังความเสื่อมในกุศลธรรมได้ไม่มีความเจริญในอนาคต คือปรารถนามากทุกร้อนเพราะความปรารถนามากนั้นไม่สันโดษด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ไม่มีศรัทธาทุศีลเกียรตกร้านหลงลืมสติมีปัญญาสามฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามวั์ที่สี่ชื่อสีติวัด ว่าด้วยความเย็นตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะหกอย่างไม่กวนทาให้แจ้งความเห็นอันยอดเยี่ยมคือไม่ข่มจิตไม่ประคองจิตไม่ปลอบจิตไม่เพ่งจิตในสมัยที่กวนทาเช่นนั้นน้อมไปในธรรมะอันเลวยินดีในกายของตนฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้าม ตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะกอย่างแม้ฟังธรรมะก็ไม่ควรเพื่อจะก้าวลงสู่ธรรมนองคลองธรรมอันถูกต้องในกุศ ล, ลธรรมคือประกอบด้วยเครื่องปิดกั้นคือกรรมทำกรรมที่เป็นอนันตริยกรรมประกอบด้วยเครื่องปิดกั้นคือกิเลสหมายถึงมีความเห็นผิดอย่างแรงประกอบด้วยเครื่องปิดกั้นคือวิบากคือผลแห่งกรรม ส่งให้ไปเกิดในที่ไม่สมควรไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทะหรือความพอใจมีปัญญาสามอีกในหนึ่งทำอนันตริยกรรมหกับมีปัญญาสามอีกในหนึ่งไม่ฟังธรรมะไม่ตั้งโสดไม่ตั้งใจฟังสงใจไปที่อื่นถือเอาแต่สิ่งไม่เป็นประโยชน์ทอดทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ ประกอบด้วยความพอใจที่ไม่สมควรฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามตรัสว่าละธรรมะหกอย่างไม่ได้ไม่ควรทำให้แจ้งซึ่งความสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิคือความเห็นเป็นเหตุยึดกายของตนความลังเลสงสัยการลูกคลำสีและรสในวงเล็บตัดลทัทธิพิธีหรือโชคลาง และสุดท้ายราคะโทสะโมหะที่ทำให้ไปสู่อบายฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามตรัสว่าผู้สมบูรณ์ด้วยทิดถิละธรรมะหกอย่างที่กล่าวมานี้ได้และไม่ควรทำธรรมะหกอย่างเหล่านี้ให้เกิดขึ้นตรัสแสดงอภพฐานะคือฐานะที่ไม่ควรหรือที่เป็นไปไม่ได้หกประการ คือผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิย่อมไม่อยู่อย่างขาดความเคารพในพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาไม่ควรก้าวล่วงอคบมณียวัตถุคือสิ่งที่ไม่ควรถึงอธิคถาแก้วว่าทิฏฐิ62สองไม่ควรอย่างพบที่แปดให้เกิดขึ้นคือไม่เกิดอีกเป็นครั้งที่แปดตรัสแสดงอภพฐพานะอุปการ คือผู้สมบูรณ์ได้ทิฏฐิไม่สมควรเห็นว่าสังขารใดใดเที่ยงเป็นสุขธรรมะใดๆเป็นอัตตาตัวตนไม่ควรทำอนันตริยกรรมไม่ควรถือมองคลตื่นข่าวไม่ควรสแสวงหาทักษิณเนยะบุคคลนอกพระพุทธศาสนาอีกในหนึ่งคือไม่ควรทำอนันตริยกรรมห้าอย่างและถือศาสดาอื่นอีกในหนึ่ง คือไม่ควรเห็นว่าสุขทุก์ตนเองทำขึ้นคนอื่นทำขึ้นทั้งตนเองและคนอื่นทำขึ้นไม่ใช่ตนเองทำขึ้นแต่เกิดขึ้นเองไม่ใช่คนอื่นทำขึ้นแต่เกิดขึ้นเองไม่ใช่ทั้งตนเองและคนอื่นทำขึ้นแต่เกิดขึ้นเองทั้งนี้เพราะบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเป็นผู้เห็นด้วยดีซึ่งเหตุและธรรมะอันเกิดขึ้นแต่เหตุ วคที่หอา น, นิสังสวัสว่าได้ผลดีตรัสว่าความปรากฏขึ้นแห่งสิ่งหกสิ่งหาได้ยากในโลกคือพระพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้เกิดในแดนอันประเสริฐหรืออริยยตนะความเป็นผู้ไม่มีอินทรีย์วิกลคือตาหูเป็นต้นไม่พิการ ไม่งโงเง่าหรือเป็นใบ้มีความพอใจในกุศ ล, ลธรรมตรัสแสดงอนิสงส์หกประการในการทําให้แจ้งโสดาปฏิพันธคือเที่ยงในพระสัตว ธ, ธรรมมีธรรมะอันไม่เสื่อมเมื่อทําที่สุดทุกขได้ก็ไม่ทุกขข้อนี้น่าจะหมายความว่าทุกชนิดไหนละได้แล้วก็จะไม่เกิดอีกประการต่อไปคือ ประกอบด้วยยานหรือความรู้อันไม่ทั่วไปแก่ปุตุชนและข้อสุดท้ายเห็นด้วยดีซึ่งเหตุและธรรมะอันเกิดขึ้นแต่เหตุตรัสแสดงฐานะที่เป็นไปไม่ได้หกอย่างคือเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เห็นว่าสังขารเที่ยงจะประกอบด้วยความพอใจอันสมควรจะก้าวลงสู่ทํานองคลองธรรมอันถูกต้อง จะทำให้แจ้งโสดาปฏิพลถึงอรหัตผลแล้วทรงแสดงว่าผู้เห็นว่าสังขารเป็นสุขเห็นธรรมะว่าเป็นตัวตนเห็นนิพพานว่าเป็นทุกข์ก็มีในเดียวกับบทก่อนนี้ฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามตรัสว่าภิกษุผู้เห็นอานิสงส์หกอย่าง ควรตั้งความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงโดยไม่กำหนดขอบเขตว่าส่วนนี้ไม่เที่ยงส่วนอื่นเที่ยงคือสังขารทั้งปวงจะปรากฏโดยความเป็นของไม่มีที่ตั้งใจของเราจะไม่น้อมไปในโลกทั้งปวงใจของเราจะออกจากโลกทั้งปวงใจของเราจะน้อมไปสู่พระนิพพานเราจะละสังโยชน์คือกิเลสเครื่องร้อยรัดหรือผูกมัดได้ เราจะประกอบด้วยคุณเครื่องเป็นสมณะอันยอดเยี่ยมตรัสว่าภิกษุผู้เห็นอนิสงส์หกอย่างควรตั้งความกำหนดหมายว่าเป็นทุกข์ในสังขารทั้งปวงโดยไม่กำหนดขอบเขตคือความกำหนดหมายในพระนิพพานของเราจะปรากฏในสังขารทั้งปวงใจของเราจะออกจากโลกทั้งปวง เราจะเห็นสันติในพระนิพพานเราจะถอนอนุัยหรือกิเลสที่แฝงตัวได้เราจะชื่อว่าทำกิจที่ควรทำเราจะชื่อว่าได้บำเรอพระศ า, าสดาด้วยการบำเริออันประกอบด้วยเมตตาตรัสว่าภิกษุเห็นอนิสงส์หกอย่างควรตั้งความกำหนดหมายว่า ไม่ใช่ตนในธรรมะทั้งปวงโดยไม่กำหนดขอบเขตคือเราจะไม่มีตัณหาและทิฏฐิความทยานอยากและความเห็นเป็นเหตุยึดถือในโลกทั้งปวงเราจะดับความถือว่าเป็นเราความถือว่าเป็นของเราเสียได้เราจะประกอบด้วยญาณอันไม่เป็นสาธารณะเราจะเห็นด้วยดีซึ่งเหตุและธรรมะอันเกิดแต่เหตุ ตรัสว่าควรละพบสามคือกามาพรูปพบอรูปพบควรเจริญสิกขาสามคืออธิศิลแสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาตรัสว่าควรละตันหาสามคือกามตันหาภวะตันหาและวิภวตันหาควรละมานะสาม คือมานะความถือตัวโอมานะการดูหมิ่นตัวเองอติมานะการดูหมิ่นผู้อื่นหรือถือตัวว่าสูงกว่าผู้อื่นหมวดนอกจากห้าสิบหมวดนี้มีข้อความสั้นๆพอจะจัดเป็นวรรคได้วรรคหนึ่งเรียกว่าติกวัค คือวัที่ว่าด้วยธรรมะจำนวนสามแต่เมื่อกล่าวถึงธรรมะจำนวนสามในแต่ละสูตรสองจำนวนด้วยกันจึงเท่ากับว่าแต่ละสูตรก็กล่าวถึงธรรมะจำนวนหนั่นเองตรัสแสดงราคะโทสะโมหะแล้วตรัสว่าควรเจริญอสุภะคือความไม่งามเพื่อละราคะควรเจริญเมตตา คือไมตรีจิตคิดจะให้เป็นสุขเพื่อละโทสะควรเจริญปัญญาเพื่อละโมหะตรัสแสดงทุจริตสามแล้วตรัสว่าควรเจริญสุจริตสามตรัสแสดงวิตกสามคือความตรึกในกามในการพยาบาทในการเบียดเบียนแล้วตรัสว่าควรเจริญความตรึกในการออกจากกาม เพื่อละความตรึกในกามควรเจริญความตรึกในการไม่พยาบาทเพื่อละความตรึกในการพยาบาทควรเจริญความตรึกในการไม่เบียดเบียนเพื่อละความตรึกในการเบียดเบียนตรัสแสดงสัญญาคือความกำหนดหมายทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีและทาาทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีเหมือนความตรึกที่กล่าวมา ตรัสแสดงธรรมสามอย่างคือความเห็นเป็นเหตุพอใจความเห็นเป็นเหตุยึดตัวตนและความเห็นผิดแล้วตรัสแสดงว่าควรเจริญธรรมะสามประการคือความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงว่าไม่ใช่ตัวตนและความเห็นชอบว่าเป็นคู่ปรับสาหรับละธรรมะปลายชั่วสามข้อต้นเป็นคู่กันตามลาดับ ตรัสแสดงธรรมะสามอย่างคืออารติความริษยาวิหิงสาความเบียดเบียนอธรรมจริยาการประพฤติอธรรมแล้วตรัสแสดงว่าควรเจริญธรรมะสามอย่างคือความพลอยยินดีความไม่เบียดเบียนการประพฤติธรรมเพื่อละธรรมฝ่ายชั่วแต่ละข้อโดยลําดับหมายเหตุผู้อ่านสําหรับคําว่าวิหิงสา ในหลายจุดหนังสือเล่มนี้พิมพ์ไว้ว่าวิเหสานะครับคำบาลีหลายคำรู้สึกว่าท่านจะใช้คำที่แตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นหรือที่ปัจจุบันเราเข้าใจหรือเคยได้ยินกันเป็นส่วนมากเลยนะครับตรัสแสดงธรรมสามอย่างคือความไม่สันโดษยินดีด้วยของของตนความไม่รู้ตัวความปรารถนามาก แล้วตรัสว่าควรเจริญธรรมะสามอย่างคือความสันโดษความรู้ตัวความปรารถนาน้อยเพื่อละธรรมแต่ละข้อเหล่านั้นตรัสแสดงธรรมะสามอย่างคือความว่ายากการครบคนชั่วเป็นมิตรความฟุ้งซ่านแห่งจิตแล้วตรัสว่าควรเจริญธรรมะสามอย่างคือความว่าง่ายการครบคนดีเป็นมิตรการตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออก เพื่อละธรรมะสามอย่างนั้นตรัสแสดงธรรมะสามอย่างคือความปุ้งซ่านความไม่สํารวมความประมาทแล้วตรัสแสดงว่าควรเจริญธรรมะสามอย่างคือความสงบระงับความสํารวมความไม่ประมาทเพื่อละธรรมะสามอย่างนั้นพระสูตรที่ไม่จัดเข้าวัด ตรัสแสดงธรรมะหกอย่างคือความยินดีในการงานแบบคฤหัตความยินดีในการพูดมากยินดีในการนอนหลับยินดีในการคลุกคลีไม่สมรวมอินทรีย์ไม่รู้ประมาณในโภชนะหรือการกินตรัสว่าถ้าละธรรมะอกอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่ควรเจริญสติปัฏฐานสมีสติกำหนดพิจารณากายในกายเป็นต้น ว่าตักบุตรกข์เข้าฤหาบดีแลว่าผู้ถวายข้าวสัตตุก้อนและสัตตุผงรวมทั้งเข้าฤหาบดีอื่นๆเช่นพัลลิกะสุทัิตะและอนาถบินทิกะที่แปลว่าผู้ให้ก้อนข้าวแก่คนยากเป็นต้นประกอบด้วยธรรมะหกอย่างจึงเป็นผู้ถึงความตกลงใจในพระตถาคตเห็นอมตะทำให้แจ้งอมตะ คือมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลมีญาณมีวิมุตติอันเป็นอริยะตรัสว่าควรเจริญธรรมะหกอย่างเพื่อรู้ยิ่งซึ่งอุปกิเลสสหคืออนุตตริยะหอนุสติหกและสัญญาหกตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสำหรับอนุตตริยะห กับอนุสติ6กล่าวไว้แล้วหลายครั้งส่วนสัญญาหกประการคือความกาหนดหมายว่าไม่เที่ยงความกาหนดหมายว่าทุกในสิ่งไม่เที่ยงความกําหนดหมายว่าไม่ใช่ตนในสิ่งที่เป็นทุกความกําหนดหมายถึงการละถึงความคลายกําหนัดถึงการดับกิเลส จบพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่22่องังคุตระนิกายปัญจกบชักกะนิบาทว่าด้วยชุมนุมธรรมะจำนวน5และจำนวนห